ยีนนะเขไปใกล้ฝ่งที่เต็มมันเลี้ยงเต็มที่แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องเรืองเรื่องว่าแค่แค่สัตว์รวยรวยรวยรวยไปว่าไปว่าไปรวยรวยรวยแล้วเนี่ย มนหน้าที่ต้องพนันโชคลกุกสัดบางคร า, งาง้งจเป็นจะต้องฆ่าตเป็นไก่เป็นต้นเพื่อจะหารู้สาาเัเกตว่ามันตยกๆก็อะไรจะตายเรื่อยโรอะไรแล้วก็แก้ไขออกไปเพื่อมาเป็นูกสิ่งของพอแล้วทักให้สบายใจเพราะว่ า, า, า ก, การฆ่าก่อะเป็นงานวางจะได้อยากจะเรียนาของพ่อว่า แล่เราเรองงี้ดิถือว่วาทำตามหน้าที่นะแล้วก็อย่าลืมาภาวนาพระพุทโธก่อนหลับพุทโธตื่นใหม่ๆนี้กันได้เลยนะไม่ยากเอาดูใจเดี๋ยวคนอายุทรงนะอักศีลหนาเิียดนิดนึงกลับเหลือไปทำตามหน้าที่ะหายใ เอาว่านอะไรเาว่าน้ำโพว่าจับม be, ีดมาพพุทโธไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้จับมีดมาพรพุทโธเนี่ยไม่เข้านะเชื่อไม่เข้านะพุทโธเนี่ยตัดเหนียวเรยครับยเหนียวสนันักมีนักเพวกหนึ่งก็ใช้อย่างเดียวคือพุทโธที่จะริงจับนี่นะไม่ให้จับหาเลือดไม่ได้ พูดไปพูดดังไปแม่แม่แม่ม่ดิไม่บอกนี้ถามว่าถาเมเวลาเมยจะตกโหนาพุทโธไว้เจ้าตกแรงไม่ได้เกรงใจพระโอดยนี่เป็นไรครับวอเนีจะตกรก็ฟ้าฟ้าข้าวทีสุญญ์คอยดูเลยใช่ครับฟ้าใครจะไปตกตรงกั้นอกตกตรงน้า จะต้องบอกไปแล้วก็ในการการรักก uh, ็ได้ก็คือ ฉันก็ไม่กล้าตอบเอาอี้เดีวกันตั้งใจให้จงโด้รงคนเดียวเลยนะให้คนเดียะแยกไทยๆนะนี่แค่ไม่กล้าตอบจะพูดให้ฟังแต่จงให้รงคนเดียวเลยนะคุณโมทนา ยังนี้จะลงแล้วลกไม่ได้อยู่แล้วไม่ลงถ้ายังไม่ตายจ้ลงแน่ข้อที ไ, อไหนเไม่ตายกน่แอะเลยแอะแอะไงพ่อไปสวรรคระเจ้ากลังไปก็มีลาต่อไปนะสวรรค์ฉันโลหห่างคุมพีกินเรา <laughs> yeah, แกลวสายเห่ได้ด <laughs> ีกว่าการท้าหลบงพ่อที่กุรบังรลวงกระผมก็จะเริ่มมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นครนนั้งแรกก็มีปอะหารสี่ตัวกันาแลแ้วคราวคือผมไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านหนึ่งเ น, นี่ยเออเื่อเลยพระอมาน้า ถ้ากุศลให้ผลทุกอย่างดีหมดถ้ากุศลถอยหลังมาอะไรตัวนนั้นแหละอ้ใช่้กุศลเก่าให้ผลอยู่บุญเก่าของเขาเนี่ยคนที่รวยเนี่ยเพราะทายเก่าของเขายังให้ผลอยู่ถ้าทายเก่าสลายตัวมาอะไรตัวนั้นแหละแล่วเห็นพ่อที่ บามีท oh, ี yeah. ่กติบาาคตาเลอยารมีเก่าอแล้วามีเันเยอะใช่หมเยอะเยอะทั้งปยนี่ก็ดีดิมันงวยนี่เป็นความดีนะป่ความดีใช่ที่สงความดี นี่ประเทศเจ่าจนแล้วเพราะอะไรมหมตอนนั้นเป็นแม่ทัพบังร้องไม้ทัพบังเป็นบริษัทบังรบเพื่อป้องกันคนในประเทศไม่มีความทุกข์อาไปดีฆ่าเขาไม่มีความทุกข์ใช่ไหมล่ะไอ้นี่จะทําเราทําความดีเพื่อความสุขของคนทั้งหลายยอมไม่แต่ตัวตายก็ยอมใช่ใช่ใช่เออนี่เป็นความดีจะอย่ทําตามนะครับ ก็ผอโฆณาสามีด้วยน่แน่เนี้ใส่มาราแล้วข้าไปเอันนี้ยังเริ่มเข้าไปที่เบดแล้วไม่ปญี่ปุ่นเลยไม่ไปที่ญี่ปุ่นแล้ไปที่เบรดเยไม่ใส่มาราเมื่อคืนนี่ตกแย่เลยทุ่มไปเป็นวันแย่เยมันเป่ากองโขโพนี่แย่มากเลยว่าแอนี้มาเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าหลงพ่อเลยปกติเคยเป็นธรรมดา โอ้ยคนชั้นดีเขาแบบนี้จะไปชมเขานะไม่ชมไม่ได้ชมไม่ขึ้นเลยอะไรใสาใส่ขับผ่านไปหลายท่านชอบกระซานวาเจ็ดไส้เลยควยอธิบัตกรรมฐานแล้วปดีมีากลางศาสนาอ่าเลยขอตอรั่วจากทุกคนเลยว่าเรื่องนี้ต้องพยายปลูกไว ที่องค์สลาลีนาสานะหลวงพอไม่มีหน้าทีอย่างนี้แต่ใครมาหาแล้วงพก็อาจจะแบ่งโปอให้แย่ขวัญเนี่ยจะร้อมแบ่งให้มันรักมากรักมาแให้มันเก้าสิบเก้าก็ได้ การเท้าพ่อที่เขาลดการูงถ้าลูกไปปหลาดใจในสะพานวัดแห่งหนึ่งถ้าท่านปแผลกาน้าแล้วก็เอาเอาหน้าไปมีการปวดจัดเองเขาบอกว่าใช้ปกางน้ำปวดได้แต่ที่จะสงสัยก็คือว่าการปวดเป็นพลาจริงๆนี้เกี่ยวเนื่องเวลาอาไตจะต้องเป็นโหมดกางน้ำปวดอะไรดมดลิงปวดอะไร หมดไปด้วยเขาใช้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้เค่งสมัยสุโขทัยนะ เ, เขาทำบทตแล้วเขายังมีตรงนี้ไม่จริงแม่ลขวขุดรางนางรบนางรางนารอบตัวและเวลาที่พระคอยหมดชักสะพานนี้ใช้ได้ไม่ผิดคลวงพ่อเจ้าตา ลูไปในงานพิธ oh, <c oughs> so ีบวชนาแห่หนึ่งเวลาทำขวัญนาคุณแม่ของเจ้านาเขาจะเอามือลูกหลังออกว่าขวัญเลยจนมาฟังเขาเทศนาโอ้นั้นจะบอกให้ฝันไม่ด้วยแล้วก็นี่ลูกก็ไปคิดบว่าอย่าไม่ต้องเรียนฟั้นะเอาคุณโดีกว่าจะมีประโยชน์มากแ้วบอกว่าคุณโภาวนาตรงนี้ไม่ได้ก็เข้าโถก่อนที่จะก็ภาวนาลูกมีความสงสัยว่ การเรียจริ่งยิงฝันเข้ามาสู่ร่างกายะจิตใจนั้นในทางุทศาสนามีพีและนำอยากไรหรือไม่ประการใดเชียวพระพุทธเจ้าไม่เคยเช่นไว้ไม่าบอดไม่มีเลยฝันเรื่องอะไรเลยต้องมาไม่รู้ตัวแ่ว่าฝันเรู้แล้วเลยนก็ีหลับแล้วก็ฝันฝันใช่ใช่ี่นี่เป็นวิธีองรามเจ้าองพรามเขา แต่กำฝันหนาแตเรื่องุธรามไม่ใช่เรื่องุ่นการาบกว่าที่เคารพอย่างสูงลูกไปเรียนภาคพิธามทื่อว่าแข่งเนินจองทางมากที่สรุเทพ ข, ขอไม่สมงวังื่ออาวัตรสอนไปสอนมาตั้งบอกว่าภาคพิธานั้นอะไรไม่มีบอกไม่มีพูไม่ใช่ความว่า ร, ราว ทีู่กไปถามในครัหนึ่นงซึ่งเขาผ่านการอนรมมาจริงมาจากว่าทาตรเขาบอกกับสมสสาชิกในว่ามีมีสภาพมีเมืองมีบาม้านมีความเป็นอยู่อาจารย์นัน้นก็บอกว่าเองยังเด็กนะยังไม่รู้คำามีราวธีร้าอันนี้แต่ถามไปหมดทุกทูมทุแล้วไม่เคยเจอรูปรางเลยุ้ยหลังจะเรียนทราบว่าอาจารย์เภนี้ตาแล้วจะมีโอกาสไปสู่สุดๆูๆสหรือไม่เด็กนะ ใช่จุดเดีวหรือเปล่าฮะไม่ก็ไม่จุดเดียวจริงเหรอปู่ๆอยู่ที่ตงนี้มันก็ทั้งวิทยุทังทีวีทังอะไรก็ตัดทิ้งไปหมดเลยัก็เหล็กวิชาที่ติดมันมากขึ้นไม่อยากนะแต่พอมาเจออ่านเล่นๆท่บ้านก็ติดแล้วางไม่ลงเลยทำไม่ก็ ลาบก็อร the oh, oh, ่อยคุ้มก <Andrew> ุ้งเลยลาบก็อ oh, ร่อยแต่เป็นใจตอนที่ว่าร่างของผมที่ไปที่วัเด็กตุ้งไล่ตุ้งไล่ี้แปลกว่าร่าของารเลยโตเไลบอกให้ใชชวยทำคนแกบอกว่าถ้าโตเมลยนี่มันดายกสงโอ้ยให้โตเลย ขณะที่เรางพอมีุณภาพภาวนาไว้แก่แรนอสมบูรณลูกจากจะขอเสนอแนะอย่างนี้ว่าเงินเวลาจะมาทางธรมสถานในวิถีเป็นุชจุดีลงพ่อมีเทปอยู่แล้วเปิดเทปใช้ก็ได้เพื่อลงพ่อจะได้ดีนานๆครไบผมอจะใช้ลงงงง <im it> วงพ่อสอเป็นนาก็หวังดีอ่าสืแต่ว่าลงพ่อต้องยอมคงจะไม่ได้ละมั้งไม่ใช <im it> ่ลงพ่อดิเวลาทำหลงพ่อไม่ทา<อ> นลกศิษย์ีปรารถนาที่ก็แอนดเบร์แม่อจะไม่รนะคนนาีกเรื่องอาไรบอกราแลนใช่ใช่ครบพ่อครับถามที่เจยงว่าเจ้าที่หลุดวัดธาสุนั้นกวัดความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อจะเล่าโดยยอกก็ได้อรับอะไรใครลุดเนกหลุดวัดธามันหลุดยังไงแหมผมบความไม่ลเกีย ที่บอกว่าอะไรมันเป็นไฟไฟเพอะไ ร, อ, ร, ปป อ, อ, ะไรอ๋อเด็กเด็กมันชักเป็นปกติ<อ><อ>เราฝ<อ>ึกฝึกกรรมฐานทั้งวันอีสามใจเราคล่องไอเด็กได้มาง่ายเด็กไม่เปลี่ยนพระธาุสูงต้องด้มโนยิธิทุทกคน<า>ใช่ไหมตอนนี้เวลาที่แกป่วยเวลาทีมันจะเป็นอ่ะมาป่วยมันเห็นทุกข์เฉยเล่าเขาสอนเรื่องทุกข์สอนนี่ผานไว้ก่อนเคยไว้ก่อน เมื่อแนึกถึงทุกข์มาลักจิตจับมีพพาออกไปเต็มที่เลยที่วัาไตรที่มัดไตรใช่น่าเด็กมายกทรงย่้ไม่ได้อ๋อที่ได้บอกปด้มาคือยังมีสายชัยอันนี้ก็ทราบวิาณได้เลยว่าสาออกไปในสถานที่ถ้าออกไปตานน้ยัขากวา ออกเป็นกาลังแกบอกกู่าเห็นพระพุเจ้าเรเหมือนกับแก้วที่สะบัดไล่แกกระจกแก้วกระจกเงานีสะบัดไล่ฉายแสงสะท้อนเป็นแบบนั้นจริงถ้าตามปกตินะมีหลายปี่นงพอพูดว่าคราวนี้มีกิโลแต่อใช่ใช่ใช่ไอ้ี่รูปตาที่หน้าก็บอกว่าแกจะมีรูปตาแสบตาไะไอย่างเงี้เห็นรูปตา ต้องการเสพตายใช่ไหมโอ้ออออทำอย่างเขาสิเอาจริงจริงที่ว่าเอาจริงจริงตั้งใจให้มันจริงๆเวลาก่อนที่จะขึ้นไปก่อนภาวนานตครับให้พิจารณาที่จสัต์เสีย ก, ก่อนอเห็นทุกเสีย ก, ก่อนออให้มันเห็นจริงๆทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเห็นทุกงดทุกโลก สิ่งความไม่เหม่นของเทวดาหรือมโลกเขาต้องการฝานแบบนี้แถวในง่ายนิดเดียวไม่เป็นใจจ้างแม่ไหนจะได้ทำให้มาแล้วคนในบ้านรู้อยู่อย่างเราหมดหรว่าแต่เราไม่เลยหมดเเจ็ดต่อนั่นนะเพราะาผู้เป็นเจ้าทังเขีนจิตตะด อาพุทธบริวารที่ฝ่าผนังวัดพุทธาลูกออนุญาตถวายผู้คนนี้ให้แกสาราจตุลมญาเถระพวกนี้ดูสีเรียงดังเขียนไว้ที่ผ้าผนังนั้นด้วยไม่ทราว่าหพ่อจอนุญาตดุจตาเขาบอกเกไปแล้วใช่ได้เสร็จแล้วอนุญาตอนุญาด้วยทีเกินรุ่งาไม่หน้าไนวันน เียนาหลวงพ่อภราตเพื่อนของปีเรื่องที่จะปรึกษาหาเลยคกับหลพ่ออยู่จังหวัดป่าติมโทรศัพท์ทางไปมาวันนี้ว่าหรือบ้านหลังเก่าแล้วจะปรุงบ้านหลังใหม่อยากจะขออนุญาตให้เอฟอทรศัพ่อทําพิธีการดวงดวงนี้อยากจะเรียนราบเรียนิดนึงว่า ทำเอาวิธีที่จะให้ทุกจ่ากราบรื่นราบไม่มีปัญหาหลวงพ่อควรจะแนะนำอะไรกพิเติมอีหรือสปาครไม่มีเชิญพอขอแคเพียงั้นพอวะโอ้โหเรียวจะก็อำไม่ได okay. ้ตามานั่ป็นโอ้เป็นเป็นหมือนเดนนี้ที่ลวงพ่อแค่แค่ยี่้าบาทอะไรได้นะที่ห้าบาทใช้ได้หลายคนเลยดิกยืมคนนนไม่ต้เสียตังค์นะงานทีได้งานคนจะได้ได้ใช การหาหลวงพ่อที่จะรับจำตัวแล้วผมจะให้ลับโชติลอยหลวงพ่อมากนะเป็นแต่เพียงต้องการให้หลวงพ่อสมทบทุกอย่างเลงกล่าวคือคุอพ่อของผมผมรักมากพ่อก็ักหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งแต่พ่อจําเป็นจะต้องตายไปหมดแล้วตองเปลี่ยนใจตายนะถ้าผมกับลูกสาวรักเป็นอย่างลึกอย่างยิ่งก็อยากจะให้แกมาเกิดในท้องของน้องสาว เดี๋ถามหลวพ่อว่าจะมีวิธีอยาาอย่างไรหรือจะทำบุญประเภทไหนให้พ่อมาเกิดในท้องลูกเขาพอสาวให้พ่อ่าเป็นลูกเไม่ดูพ่อบากนะโอเป็นปีิมั่งว่ามั่งตีมั่งบาปนะเออไล่ไปเป็นเดียวาที่มเริ่มราก่สบายใช่นี่นะ เจ๋งๆกรอดานประมาณนี้อะหลวพ่อเนี่หาหลบันนี้หึ่งคือว่าขว่านที่นี่ห้าผ่านที่เองพรก็มีตัวตัวที่เขาว่าไม่ดีอะของลดตัวตัวที่อาเท่องถ้ามาใว่าลูกก็เลยไล่ไปแต่แม่บอกว่าหนูอย่าไปไล่เลยไล่ตัวเงินตัวพองเออถูกแล้ว เขลียตรงเงินอทองพ <c oughs> อาีจสิงมันโดแยไอ้เยีแต่เราตั้งชื่อมันเองแล้วมาจากจะพ้นแปลแพนบอกเขาเลียตรงเงินอทองแล้วก็จริงจน่ะถ้าเลี้ยงไว้นะจะได้เงินได้ทองนั่นแหละนั่นแหละ ก็อะไรไหมเรียงไว้แกก็อ้วนดีดีใช่ไมต่อไปตายขายหนังเที่ยหนังเที่ย์ไปจานนองเท้าแล้วแทงนะอมันจะดีแล้วอย่างนี้มาข้าวา้ไม่ต้อคไปไล่อะรไม่เกี่ยวกับไล่ที่จะกราบเจดีย์เลยเกี่ยวกับไล่จะไม่ไม่ไปไล่คือไม่ได้เป็นอะไรนี่เราถือกันมาเอง ไปไป เ, เขาไม่ทาอะไรเราเขาไม่ได้มาให้โทษผูกตัดสุทนี้มาเองเป็ไปได้มาได้ก่อนที่ฉันเจียนกรรมานในวิชาก็มีพยาทินพญาทองในเยอะแยะยังมีก็ถามให้หลือแล้มีอะไรจะไมกับข้าวกินน่ะดิจะไม่ได้กินใครเหร ไม่มีอะไรก็เป็นธรรมดารือกไปเอแต่ถ้าเป็นรายเขาดีอาจจะสบายตัวใช่ใช่ๆชเป็นธรรมดาตัวคุณนี้มีตัวอย่างจริงตัวไหนก็เดทำ3ด้สามคนนะเอี้ยเข้ามาวัเนี้กระัานถึงวัดเอี้ยเข้าไปในโบสถ์สาเพื่องตวโบสถ์เข้าไปเราเียราก็ทอาหารเขากินเรี้อยแลยนะว่าหน้าเองนะ คนเมากไปจังก็ไม่ได้นะสามคนต่างใกันไปกัมาตายคคนเดียวตายที่ไอ้สาคน ก, ก็ยังดีดีอะไบอสดีเอาตํา้ำ้งฟุ้องออกอกง็ออกตามุ้้นะแต่ทีนี้เปลาเราิตเราเป็นสมาธิแล้วได้เห็นเป็นดวงดวงมีกลมบ้างกางทีก็ตามบางทีกบขาวลอยก็มาชนุูปตาลูกก็ต้องปาะหารเือดตาพนประมาธิใหม่แล้วมันก็รอยมาแล้วก็น อยู่อย่างนี้เป็นประจำใช้ทั้งพุโทโธใช้ทั้งธรรมาระภัสแต่ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ขอความเมตตาหลวงพอ่อช่วยแนะนําหรือแก้ไขทางนี้ด้วยเถิดแก้ทําไมเขาไม่แก้กันแพราะปัญหาต้องแก้นั่นเป็นนิมิตก็นาบาลุสติใครจะแก่นะอที่ผ่ายคนนี้นใช่เวลาหน้านาลุสติกาาําลังเข้าถึงปีติจึงเกิดภาพนี้ขึ้น เขียวบ้งแดงบ้างขาวบ้างก็ตามใจชอบเพราะอะไรเขาจะเกิดของเขาก็เป็นตัวของดีตัวดีตัวดีตัวสวรรค์ก็ตกตกงไนต่อแย่แล้วนะต่อไปต้แก้ล็กนุ่งเยลยอ่าหลบการฆ่าเราก็ตดล็อกจส ลูกท่าจะเกียนกรรมฐานไปเลยแก้ดีมากเกีด uh ีน right> uh to ี uh uh <t uh <t uh uh ่ลูตั้งคือพ่อไหมก็ดีนะใช่อะไรอะดีหมดไม่มีอะไรเสียแลวก็อย่างนี้เวลาลูกนั่งกรรมฐานแล้วแก็เป็นกของตัวเองนข้าแข จะเป็นจตองมาขอถามงพ่อว่าเพื่อไปถตอนนี้แล้วควรจะต่อต่อไปอย่างไรเดี๋ครก็ต่อตามเดิมดเดิมะเขาเริ่มมาเริ่มดีแล้วเ น, นี่ยไม่ใช่เพียนผู้หญิงย้าพ่อเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายจะเสบีผู้หญิงที่ไปหานเย้บิสนียี่ยเย้ไปไม่เริ่มดีแล้วแต่มันดีจริงๆนะดีตลอด ใช่ใช่ทำเดิมจะไปเพลี่ยนเย็บแรงถึเปลี่ยนแปลงเยบัดตัวก็มาทาเดิมใหม่โอ้ยมีมีท่านตัวเงินตัวทอมาอีกตั้งามคนภวนาแล้วไ่ออบก็สอบเจ้าขไปแล้ภาวนาแล้วรู้ไปตัวเลยลบอ้ยบายเก่งนี่การราการหน้าข้อเนี่ยฝักสายเขาตายการราการหน้อ เรื่องด้วยรูไมีปัญหาเกี่ยวประงานการก่อสร้างก่อฟาที่ผมเลยน่าประลาดใจก็คือว่าเขาถือก็ทำไม่มีปัญหาความสุขารูปทำมั่นสิบก่อฟาตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนี้คิดว่าคงจะต้องหาตัวพบข้ออย่างไดอย่างหนึ่งก่อฟ้าพัฒนาไม่ตายจากกัวงพ่ถ้าแนะนำได้จะเป็นประโยชน์ต่อกรผมซึ่งจะเป็นลูกศิษย์แนนที่หลงอต่อไป ก็ไม่มีอะไรมากไม่รอบครอบอไม่รอบคอเทวดาเบอกมันเทวดาที่โม่เลยจะมาจะบอกไม่มีอะไรเลยครับไม่รอบครอบพอรอบจางทีน้อยไปหน่อยโอ้โหน่าจะอะไ้ ถ้าหลอต่อไป้หงอ่ามเร er os, ียทา้าหงข้อที่เคารพอย่างสูงีได้หาหนังสือสวดมนต์ซึ่งเมีคำแปลแทรกเกียงด้ยเขาบอกว่าถ้าท้าวสวดบทนี้และโรคภัยไข้เจ็บจะหายเขาบอกว่าอะไรสักตรวาเรือนังนันอะไรตามลึนั่นาอยากจะมาเรียนถามหลวงข้อว่าถ้า หลวงพ่อจะสวดตกลาละนางละนางตัวหลวงพ่อจะมีโอกาสขายจากโลกภัยให้เกไหมถ้าหลวงพ่อสวดไม่ได้ลูกจาวตลามาเพื่อหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้รู้สวดแทนนะไอ้คืนสวดกับตรลาละนังละนางอ๋อปกติบทนี้เป็นบสบอกว่ทุกมรรคกโลกมรรค อ, อันนี้อย่าลืมนะว่ า, าพระพุทธเจ้าเราท่านเป็นเจ้าของวัสนาบทสวดมนต์ทุกบทก็นื่องจาท่านทั้งหมดที่แม่ว่าต้องไหว้พระเจ้าแตพระเจ้าอเาองก็ป่วยก็ลืมไปมั้งก็มีมีคนก็เห็นจดหมายไปบอกฉันฉนันจะํำปางาให้สวดมนต์บทนี้จะหายจากโรคเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศน์มาก่อนนิพพานแปปี อ่านอะไรจังก็ทราบตอนทีว่าอานีอ่านหือน้อยไปอาจจะอ่านมากแต้ ว, ว่าคิดน้อยลืมไม่ว่าพระเจ้าเองก็ป่วยเห<อ>็นไหมล่ะพ่าตามบวศิ์ท่านก็ป่วยอยู่เสมอต้องมีหมอชีวกุารพัฒเป็นหมอประจตัวเห็นไหมล่ะเรื่องการปว่วยนี่มันสวดมนต์หายมาเลยเหรอว่าเกี่ย ว, วกับการใช อล้วเางนี้ก็ขอขอให้คือว่าในกรณีที่อเป็นพระให้ปยใบสบายพ่อวางวางอารมณ์แบบไหนี่งได้ตลอดก็คือวางเห็นนนี้เหน้เอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์ใช้รงป่ยนะโอใส่เงินนะมจีไายหายมาจีไลอายนี่มาวายังแย่นี้สบายล้วอ่าฮ่าฮ่าฮ่า ได้หนึ่งล้านบาทมีนายพี่นานงล้านก็พอก็เอาผมจะสัญญาจะเขายืมอาะในฝันมันด้ยินฉันไม่ด้ยินโอ้หลุงใหญ่โอยอัทีงนหนงือมบกาเขาเจเอาจิเลยมาตลางเอาจริงมาดิทําทำไงทำอขนาดนี้นี่อยางน้งาอไม่ไม่เกี่ยวฉันฉันไม่ด้ยินไงฉันว่าจะว่ามุนกา ก็ให้ฟังนะยินแต่าใจอาอโอ้ยทนใครได้ดีนว่าจะใช่ใช่เอีต้องไมยินบไม่ได้ปากไม่ดีก้าสุดเกือดียรมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อเรื่อเฮกเพื่อการว่าเรื่องลางปากกินประทับยาก็ยไปินได้ครับินดนไ อย่ากิยืน่าพูดสูง่นะใจยืนยืนาเอาโอ้ยโอนท่นเาแต่ละตาลใช่ไทานเอาตากันอ้ยในขัทชาไม่ได้หรอกทำลายขันทาิเจ้าปรับทนหนักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พระควรจะรักษาอย่างเดียวความก็เรืลเป็นเรื่องรับก็ต้องเลือกทำไต้องเลือกหวรั ถ้าเขานี <S 2> <S 2> ่มาให้กะหามรับใช่ไหมครบแต่ถ้าข้าวขอเป็นองรห้ก็ปนงรัเช็ครับชักไหม่ะอ้ไวจริงนะ